วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่ สามกุมภาพันธ์นะสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดการบรรยายที่ยุคพุศัก ส, สองสหับเช้านี้เราจะมาดูกันอาจจะหลายเรื่องที่เกี่ยวโยงกันนะช่วงนี้ก็เข้ามาสู่ช่วงปลายแล้วนะเพราะเวลาก็จะเหลือวันนี้พรุ่งนี้ ที่เป็นหลักๆวันสุดท้ายก็คงจะแทบจะมีแต่สรุปแล้วก็ปิดเล็กน้อยเท่านั้นเองเนเวลาที่เรายังเลืออยู่ก็คือเช้าบ่ายเย็นเช้าบ่ายเย็นอีกประมาณหกครั้งเในหกครั้งนี้ก็จะเริ่มรวบเข้าสู่สู่สู่สลายทางแห่งการปฏิบัติ คือที่เราพูดกันมามันก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์เช่นการปรุงแต่งในจิตพบทั้งหลายที่เกิดขึ้นเวทนาวิญญาณที่เราพูดเธอฟังกันไปโลกนี้อยู่ที่จิตฝรั่งเข้ามาศึกษาจริงๆไม่ฝรั่งไม่ได้เห็นรูปนามหรอกฝรั่งก็แค่เข้ามาเห็นว่ากระบวนการทำงาน ของเราทำงานยังไงแค่นั้นเองก็ยังอยู่ในความเป็นของเราทั้งสิ้นมันจะมาบอกว่าการเอามือขึ้นมาเต็มไปด้วยสนามพลังงานมีแต่เซลล์มีแต่อนุภาคที่วิ่งกันก็มือของเราอยู่ดีนะคือทำนังไมันก็ละไม่ออกเพราะฉะนั้นจะศึกษาเท่าไหร่มันก็ไม่พ้นทุกม์ไม่พ้นทุกรู้มากกว่าเราก็เท่านั้น พระสวสดาบาลจริงๆที่ท่านปฏิบัติแล้วก็พ้นไปท่านก็อาจจะไม่ต้องรู้อะไรมากขนาดนั้นนะถ้าคนที่นั่งศึกษาปฏิบัติเนี่ยถ้าได้คุยกับพระสวสดาบาลจริงๆที่ท่านปฏิบัติภาวนาจนกระทั่งท่านพ้นไปท่านก็ไม่ได้สนใจว่าท่านเป็นอะไรทั้งสิ้นนั่งคุยกับท่านคนในกรุงยังมีความรู้มากกว่าท่านรู้อย่างเดียวไม่เห็นทูกอะไรนจะมาพูดอะไรของเขาทำเพ้ะ มันทำไประวังมันจะมีตัวตนเพิ่มขึ้นมาก็เท่านั้นของพูดแค่นี้มาละความเห็นผิดไม่ใช่มาสร้างความเห็นถูกวันนี้โลกมันกลับข้างมันนั่งสร้างความเห็นถูกแล้วนักวก็จะหลุดพ้นถ้านั่งสร้างความเห็นถูกมันจะไปก่อตัวตน ต, ตัวใหม่ขึ้นมาเรียกว่าทิฏฐิ ป, ปาทานมันจะเกิดเป็นอุ ป, ปาทานในทิฏฐิของเราตัวใหม่ เรารู้แล้วฉั้นรู้แล้วชั้นเข้าใจแล้วจบเหตุนะแทนที่ขณะที่เกิดปัญญามันจะไปละตัวตนมัขนขณะที่เกิดปัญญามันไปก่อตัวตนขึ้นมาอีกทุกวันนี้เป็นอย่างนี้หมดทุกวันนี้เป็นอย่างนี้หมดเลยเนื่องจากเขาไม่ได้ปฏิบัติไม่มีคนปฏิบัติมีแต่คนนั่งศึกษามีคํากล่าวว่าพุทธะแบ่งเป็นสี่ประเภท ประเภทแรกชื่อสุตตพุทธนอกจากนั้นมีปัจเจกพระพุทธะสัมมาสัมพุทธะคืออาราหันตสัมมาสัมพุทธะแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึง่งคือในสี่อย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธะสี่ประเภทเนี่ยสามประเภทเนี่ยหลุดพ้นเป็นพระพุทธเจ้า มีสุดตะพุท ธ, ธะเนี่ยที่ไม่หลุดพ้นได้แต่ความรู้ไปอย่างเดียวคือเป็นพุท ธ, ธะแบบมีแต่ความรู้แต่ไม่หลุดพน้นรู้หมดเลยรู้ทุกอย่างเลยแต่ไม่หลุดพน้นทำไมเพราะว่าไม่ได้ละกิเลสไม่ได้ละตัวตนมีแต่ความรู้อัดเข้าไปในสัญญาเฉยระวังนะอย่าปฏิปัติคืออย่าศึกษาแบบนั้น อย่าศึกษาแบบนั้นผมเตือนบ่อยๆเพราะว่าผมเห็นมาเยอะนะผมเห็นมาเยอะเธอบอกว่าผมอยู่ในวงการนี้อละ่ะก็ผมอยู่ในวงการนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมเห็นมาเยอะแล้วก็ผมได้ยินคนที่เข้ามาแล้วผมก็เห็นมีคนเข้ามาปรึกษาสอบอารมณ์อะไรมากมายนะแต่ผมก็เห็นว่า ก็เดินไปสู่เส้นทางที่มันมันก่อแต่ตัวตนแม้แต่ปฏิบัตินึกว่าตัวเองถึงไหนถึงไหนก็ไม่ถึงไหนแล้วก็มีแต่ตัวตนคว้างอยู่ทั้งหมดปฏิบัติไปก็ไม่ได้เกิดสัมมาทิฏฐิเลยเอาสติเอาสมาธิเป็นตัวตั้งพอเป็นตัวตั้งปุ๊บยิ่งปฏิบัติมันยิ่งก่อตัวตนโดยไม่รู้ตัว ถึงจุดหนึ่งถ้าเ้ารู้ตัวเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมยิ่งปฏิบัติยิ่งวนทำไมปฏิบัติแล้วรู้สึกมีใครสักคนยังอยู่ข้างในแต่ถ้าอย่างนี้ยังถือว่ามีปัญญาที่จะพอออกได้บางคนหลงคิดว่าที่เราทำอยู่เนี่ยดีแล้วถูกแล้วเราถึงแล้วเราเข้าใจแล้วเราเห็นหมดแล้วแค่งั้นก็ไม่มีอะไรจะต้องต้อ ง, ต, องอนะต้องทำอะไร่ะต้องทำอะไร เราพูดศัพ์คำหนึ่งกันมาคือคำว่าสักกายะทิฏฐินะทีนี้ผมจะให้ดูว่าคาว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยมีที่มาจากตรงไหนะ เ, เรามาดูคำว่าสัโยชน์หรือสัญยาต์นะมีความหมายเดียวกันสัญยาติสิบแต่วันนี้เราคงจะไม่พูดกันทั้งสิบข้อละเราจะเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบรรยาย ที่ผ่านมาแล้วก็ที่จะปรญยายต่อไปสัญชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ทำที่มัดใจสัตว์ให้ทุกข์ไว้กับทุกข์หรือกิเลสเครื่อนร้อยรัดจิตใจให้จมไปนในวัฏฏะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามมีสัญยชนสิบเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนทุกข์แน่นอนทุกข์แน่นอนไม่มีไม่ทุกข์ ดัง้น ส, สิบข้อที่พูะเจ้าตรัสเอาไว้คืออะไรทูกแบ่งเอาไว้เป็นสองสอ ง, สอ ง, ส, องสองกลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าแล้วก็สังโยชน์เบื้องสู ง, ง, สงห้าเรามาดูสังโยชน์เบื้องต่ำห้าที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนจริงๆทั้งสิบข้อเนี่ยในปุถุชนผู้ไม่ได้สะดับมีครบสิบข้อเพราะฉะนั้นทุกจึงมหาศาล ที่พุะาจาตรัสว่าทุกของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็เท่ากับมหาปัตปีขี้ฝุ่นในมหาปัตปีเนื่องจากมีสังโยชนพบทั้งส0บข้อดังนั้นทุกไม่มีอะไรเหมือนทีนี้มาถึงกัลยาณธาอากัลยาณะบุคคลที่เข้ามากัลยาณชนที่เข้ามาปฏิบัติประพฤติปฏิบัติสังโยชนถึงแม้จะยังไม่ขาดลงเต็มที่แต่เริ่มค่อยๆกระพิพเป็นจุดๆนะ ดังนั้นทุกก็จะลดลงโดยลำดับอย่างคนที่เคยมีสักยะทิฏฐิเต็มเต็มคือมีแต่เราเต็มเต็มเนี่ยสมมติว่าทุกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเข้ามาสู่การปฏิบัติเห็น 5, อินทรีย์ห้าเอเห็นอินทรีย์หกแทนกระทบมาก็แค่ตาก็หูก็จมูกก็ลิ้นนะเสียงเกิดก็เสียงดับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เริ่มกลายเป็นจักแทนที่จะเป็นเราร้อยเปอร์เซ็นตมันเริ่มมีบางขณะที่มันกลายเป็น กระทบเข้ามาทางตาก็ดีหูก็ดีมันไม่ใช่ว่าเรามันก็เลยทุกข์ลดลงไปตามลาดับทีนี้ใครสามารถเห็นความจริงได้มากขึ้นทุกข์มันก็ลดลงไปเรื่อยๆที่เคยว่าเราปวดขาแต่พอเห็นสภาพปวดขึ้นมาจิตตั้งมั่นอ่ะไม่ทุกข์ซะแล้วเนี่ยทุกข์ก็ลดลงทันทีจากที่เคยทุกข์มันไม่ทุกข์จากที่เคยทุกข์มันไม่ทุกข์จากที่เคยทุกข์มันไม่ทุกข์ังั้นทุกข์ก็เริ่มหายไปหายไปหายไปเรื่อยๆ ไปใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมีศีลมีธรรมจากยุงตกเยยุง ก, กัดตกค่านุ่นดานี่ว่านั่นมิจฉาวาจามิจฉาการกระทาทั้งหมดก็เต็มไปด้วยทุกข์เล่าร้อนใจพอเริ่มเข้ามาอยู่ในเส้นทางแห่งอริยมรรคก็ทุกข์ก็เริ่มหายไปหายไปหายไปหายไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวผู้ปฏิบัติเองก็จะรู้สึกสบายขึ้นเอ๊ะทาไมฉันไม่ค่อยทุกข์เหมือนเมื่อก่อน เออทำไมรู้สึกวนเดี๋ยวนี้มีความสุขมากขึ้นมันก็จะพบเองจากที่ค่อยๆหายไปทีละจุดสองจุดถึงแม้จะจัดการไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเบื้องต้นแต่ในที่สุดถ้าปฏิบัติภาวนาไปอย่างถูกต้องก็จะเริ่มละสังโยชน์ได้ทีนี้มาดูสังโยชน์ที่เกี่ยวข้องตรงๆเลยในเบื้องต่ำห้าประการ สักยะทิฏฐิวิจิตรฉาสีรัตตาปามาทกามราคะแล้วก็มาสักยะทิฏฐิเลยแล้วก็ปฏิฆานะเมื่อกี้นี้ก็คือให้ห้าข้อห้า อ, อย่างอย่างที่หนึ่งตัวเอเลยนะในพระสัสดาบันชําละก่อนเลยตัวนี้ถ้าไม่หายเนี่ย ทุกไม่มีหายสักกายะทิฐิคือความเห็นผิดในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขานี่แหละตัวใหญ่เลยนะอย่างที่อธิบายมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จนจะถึงวันไหนๆก็ตามในทุกๆคอสที่ผ่านมาแล้วก็ในอีกทุกคอสที่จะมาถึงพูดอยู่เรื่องเดียวเพราะนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุด ก็คือการสร้างความรู้สึกลมหลมแรงแรงว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราในอีกในยะหนึ่งถ้าไปมองอีกมุมหนึง่งก็อาจจะมีได้ว่าเป็นของเราแต่ไม่พ้นไปจากนี้พระพุทธเจ้าตรัสบางขณะเราก็รู้รู้สึกว่านี่เป็นเรา ในบางขณะเราก็รู้สึกว่านี่เป็นของเราตรงไหนก็ได้สักยติทิฐิทั้งนั้นแล้วแต่ความรู้สึกตรงนั้นบางทีเราก็รู้สึกว่าเราแล้วนี่กตาของเราถ้าตาของเราเจ็บเราก็จะส่วนตาของเราเจ็บบางวันเรามองเห็นเราก็บอกว่าเราเห็นตาก็เลยเป็นเราเนะข้าใจนะทั้งคำว่าของเราและเราเหมือนกันเลย แต่ในบาลีก็ใช้วลำคำเหมือนกันนะใช้วลคำเหมือนกันแต่นั่นคือสักกายะทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดแบบโมโหลานมหาศาลแล้วเป็นกันหมดทั้งเจ็ดพันหกร้อยล้านคนรวมถึงเทวดามารพมไปจนถึงเดราชานสัตว์น ร, รกเลยเพราะฉะนั้นทุกภพภูมิไม่มีใครหลุดเลยมีจะหลุดขึ้นไปได้บุคคลประเภทที่หนึ่งก็คือพระโสดาบันใน แต่กา ร, รยาณชนอย่างที่ผมบอกที่กำลังประพฤติภาวนาปฏิบัติพิปัสนากรรมฐานกำลังประพิ บ, บ, บ, บเริ่มตัดตอนลเริ่มมีการตัดตอนคือมันทำงานได้ไม่เหมือนก่อนละกิเลสใช่ไหมที่ว่าเรา 100% เนี่ยมันเริ่มไม่เรา 100% แล้วคือยิ่งทำมากเท่าไหร่ความเห็นผิดจะลดลงความเห็นถูกจะเพิ่มขึ้น ให้มองนี้เลยว่าความเห็นผิดในความเป็นตัวตนหรือสักจยะทิถีเนี่ยถ้าสมมุติว่าหนึ่งคนเนี่ยมีร้อยเปอร์เซ็นในปุตชชนผู้ไม่ได้สดับ1ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเพราะฉะนั้นทุกร้อยเปอร์เซ็นตเต็มใครพูดอะไรก็ปั๊บเขาด่าเราก็อะไรเงี้ยคนนั้นทำไม่ดีก็ฉันไม่ชอบเขาเลยเต็มเต็มพวกนี้เต็มเต็มเต็มหัว อ, อกหมดนะเพราะฉะนั้นทุก ถาโถมไม่หยุดเลย้าโถมไม่หยุดดูข่าวก็ด่าได้ทุกคนคนนั้นก็ไม่ดีคนนั้นก็ไคือมีแต่ศักระยะที่ถี่ไม่เห็นการกระทบเห็นการเคลื่อนไหวเลยไม่มีเลยที่รูปกระทบน้ำสันไหวรูปกระทบน้ำสันไหวไม่มีในในปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเพราะฉะนั้นเขาอัดพุกไว้แน่นหัวอกเวียนว่ายตายเกิดไม่มีจบหาต้นไม่ได้หาปลายไม่เจอไม่มีปลาย บุคคนเหล่านี้ไม่มีปลายคือเวียนเกิดเวียนตายในสามสิบเอ็ดภพภูมิแล้วแต่ว่าทำอะไรหนักเอาไว้ในแต่ละขณ ะ, ะบางคนมาสว่างเกิดมาดีสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองทีนี้ก็เริ่มใหญ่มีทรัพย์สินเงินทองก็เริ่มใหญ่โตมีอำนาจวาสนาก็เริ่มสั่งด่าว่าพอใครทำไม่ถูกใจก็อนะ ผู้จัดการก็มีโอกาสทําบาปสูงกว่าลูกน้องอะทีเนี้เพราะลูกน้องก็ครับครับครับก็ อ, กอดทน อ, อดกลั้นธรรมะข่มใจไปเรื่อยก็เจ้านายกว่างให้หัวซ้ำครับก่อนมีธรรมะข่มใจคนตัวเล็กๆก็ยังมีธรรมะข่มข่มใจมากกว่าแต่เจ้านายไม่ต้องเนี่ยมันเป็นานายเพียงว่าระเบิดอารมณ์ออกมาได้เลยพอระเบิดอารมณ์ก็ย้อนกลับเข้าไปสิก็เข้าสู่จิตไร้ไสํานึก รอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่ตัวตนก็มากขึ้นเพราะตัวเองใหญ่กว่านี่กลางขึ้นพอถึงตอนจะตายดีละ่ะที่ทําไว้ทั้งหมดก็ลงนรกต่ํากว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลงไปเริ่มต้นใหม่บอบช้ําเจ็บปวดจากการกระทําขึ้นมาเนี่ยจำไม่ได้หรอกถว่าชาติที่แล้วไปนรกเป็นไงหืมจำไม่ได้แต่จะรู้สึกคนที่เพิ่งขึ้นมาจากนารกแรกๆเนี่ยนะมันมีแหกนรกออกมากับพวกที่โดนสบอ่ะแล ก็จะค่อยๆหิมห้มๆไม่ค่อยกล้าทําอะไรแนละ้วมันยั ง, ยงแยงๆไงไม่รู้นะจำไม่ได้หรอกแต่มันแหยงแยงที่จิตแต่บางทีก็แหกนรกขึ้นมาเลยพวกกลางเป็นสัตว์นรกของสัตว์นรกยังติดค้างนิสัยอยู่ก็จะเห็นในสังคมมากมายนะเดี๋ยวก็กลับลงไปใหม่ <c oughs> ไม่ต้องห่วงแล้วเนี่ยมาแป๊กเดียวพระเจ้ามามาทีเดียวพวกนี้มาทีเดียวแล้วก็ลงยาวเลยทีนี้ยาวกว่าเดิมอีก ก็หลุดขึ้นมาได้อาจจะด้วยการพลิกจิตขึ้นมาแต่มันการพลิกจิตแบบชั่วคราวจริงๆฟุ๊กพลิกมันไม่ใช่พลิกแบบพวกเราภาวนากันยาวๆแล้วพลิกก็พลิกเลยอันนั้นมันแบบพลิกชั่วคราวเออช่างเรือกว่าป๊บมันขึ้นมาแต่เดี๋ยวมันก็โกรธเหมือนเดิมเพราะความเคยคุ้มันก็ล่วงลงไปใหม่แต่มีพวกเนี้ยค่อยๆขึ้นขึ้นขึ้นค่อยๆพัฒนาจิตไปเรื่อยๆเอาล่ะเดี๋ยวจะไปกายกลับมาที่สักยตทิฏฐิก่อน มีความเห็นผิดในความเป็นตัวตนก็คือเปิดให้ดูหมดแล้วตานี้ก็เป็นการกระทบเวทนาก็แค่กระบวนการทำงานของร่างกายนี้โดยระบบประสาทเท่านั้นเองแต่เราเข้าไปยึดถืออ ย, อยู่ก็ไปบอกว่าเราปวดทั้งๆ ท, ที่เซ็นเซอร์ส่งสัญ ญ, ญาณมาสมองสั่งการว่าอันนี้ปวดอ่ะเราก็ไปว่าเราปวดฉังนั้นในกระบวนการนี้นะเห็นไยังว่าเนี่ย คือสัพยาธิฐินักวิยาศาสตร์ผมก็บอกแล้วนี่ยเขาเห็นนะเขาเป็นคนทําสื่อเองอ่ะที่เราเอามาใช้อแต่ทุกคนก็ยังทุกข์กับมะเรง็งทุกข์กับนู่นนี่นั่นที่เกิดกับร่างกายนะฉันไม่สบายฉันจะตายแล้วฉันเป็นมะเรง็งฉันเป็นนู่นนี่นะฉันไหนะ่ะไอ้นี่ก็มาจากระบบเซลล์ระบบ โมเลกุลการเข้ามาดึงดึงเข้ามาอยู่ร่วมกันชั่วขนาดชั่วคราวแล้วก็เกิดดับเกิดดับเสื่อมกันทุกจุดะเดี๋ยวเกิดขึ้นกระดับไปเกิดขึ้นกระดับไปเกิดขึ้นกระดับไปในทุกเซลล์ทุกอะไรทุกโมเลกุลแล้ว ก, ก็บอกว่าไม่ี่เป็นเราเป็นเราเป็นเรา เ, น, เรานี่ยคือสักยทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายใจนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนบุคคลเราเขามีความยึดมั่นในระดับหยาบหยาบนี่เรียกว่าสักยะทิฏฐิเอาล่ะนะ ส่วนตัวอื่นๆวันนี้เราจะไม่ได้ไปมุ่งเน้นมากแต่ก็ในในก็เปิดแล้วก็ทําความรู้จักไปสักสามตัวไวแล้วกันสองคือวิกิจชา้าคือความลังเลสงสัยนะความลังเลสงสัยเนี่ยมันเกิดจากความไม่รู้พอมันไม่รู้เนี่ยว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทาไมก็ถึงเป็นอย่างนี้อ่ทําไมคนนั้นถึงเป็นอย่างนี้อ่ะคือสงสัยไปหมดทาไมเขาต้องทําผิดด้วยอ่ะอย่างเงี้ย คือพอเห็นความจริงเนี่ยว่ารูปนามเนี่ยหรือขันท่าเนี่ยมีการสั่งสมประสบการณ์ในแต่ละคนแล้วก็มีเกลเยดตันหาทำงานจากการปฏิบัติภาวนาเราก็เห็นว่าเกลเยดตันหาทำงานยังไงเดี๋ยวก็เข้าประกอบจิตเดี๋ยวในแต่ละขณะก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ใช่คนคนนั้นเ็วถาวรดีถาวร อ, อ, อะไรปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยสลับกันทั้งเ็วทั้งชั่วในทั้งวันน่ ไม่ได้ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้แปลว่าเป็นคนเลวร้อยปอร์เซ็นถ้าเป็นคนเลวเป็นส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชาจะเรียกปาปชนคือคนบาปนะคำว่าปยายุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยก็ไม่ได้ว่าดีเดอะไรนะแต่ก็ไม่ได้เลวซามขนาดนั้นที่บอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็คือนึกอยากจะทําบุญก็ทําบุญช่วงนี้สะดอกราะหน่อยดีกว่าโชงไม่ค่อยดีก็ทําบุญ่ะก็ทําบุญก็ไม่ได้ว่าอะไรรู้สึกแ พอทำบุญเสร็จออกมาโอ้โหแห่งวัดคนเยอะชิบหายโคตรเบื่อเลยที่หลังแน่ยไม่มาแล้ววัดเนี่ยอ่าเนี่ยก็บาปตอ่ออเนี่ยคือมันไปทําบุญแต่มันก็ทําบาปซ้ำเข้าไปอีกเนี่ยเขาเรียกผูุ้โชนผู้ไม่ได้สดับคือปากก็ด่าไปเรื่อยว่าไปเรื่อยมีปากเจาะเอาไว้รูนี้ก็พ่นออกมาแต่ของสกรปรกเพราะข้างในมันสกรปรกมีแต่น้ําเน่ากับบ่อน้ําเน่ามันก็พ่นออกมาเป็นฟองกา๊าซไข่เน่าพูดอะไรคนก็อื้อหือนะ ถ้าจะเดินออกเดินหนีแหะคนพวกนี้ข้างในมันเน่าพอมันเน่ามันก็พ้นออกมาแต่อักุรสพูดแต่ของบาปของชั่วของของไม่ได้ฟังทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยคือบางวันก็ดีเช้าบางทีก็ดีเดี๋ยวบ่ายไปแล้วอีกคนหนึ่งทันทีที่เห็นก็จะรู้ทันทีถ้าคนที่ปฏิบัติภาวนามันก็เห็นขณะนั้นกิเลสนขึ้นตระกอบจิต ก็จะกลายเป็นส e ัตว์นรกบ้างเดี๋ยวๆก็เป็นเปรตโลภนุ e ่นอยากได้นี่ก็โลภะเข้าประกอบจิตบนงทีก็หลงนั่งหลงเล่นนู่นนี่หลงทั้งวันนั่งหัวเลาะขำนั่งเออะเมอทั้งวันนั่งคิดเศร้าจมอยู่ทั้งวันคิดแต่เรื่องเก่าแล้วก็โอ๊ะทำไมทำไมฉันซวยอย่างนี้นั่งบ้าโมบุนอย่างเงี้ยทั้งวัน พวกเนี้ยหลงหลงหลงหลงหลงเนี่ยมาก็เห็นเราปฏิบัติเราก็เห็นนันง่งเดี๋ยวก็มีคอตกนั่งสมาธิอยู่ดีออกแล้วก็ก็ไปคิดถึงเรื่องเก่าออกมาจากสมาธิก็จมเป็นเดรัจฉานอยู่อย่างนันนะจมเป็นอสุรกายจมเป็นเดรัจฉานอยู่อย่างนั้นนะจิตตกจิตต่ากว่าระดับของมนุษย์ลงไปอีกเพราะฉะนั้นมัน คนที่ปฏิบัติมาก็จะเห็นว่าในแต่ขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยเมื่อจิตไม่ได้ถูกฝึกเนี่ยมันก็จะปล่อยให้พวกเนี้เข้าประกอบเป็นหลักเมื่อเข้าประกอบเป็นหลักก็เต็มไปด้วยทุกข์พวกที่ทุกข์ยังไม่รู้ตัวทุกข์ขามีไมรู้ตัวเลยหลงไหลไปก็ไม่รู้ตัวเพราะไม่เคยถูกฝึกสติสัมปชัญญะที่บอกให้รู้ลมเดินเคลื่อนไหวมีความรู้สึกตัวเอาไว้นะพระเจ้าบอกให้ประคองจิต เหมือนกับบุรุษผู้ถือขันอันเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ําอะไรอย่างเนี้ยก็ไม่เคยทํานึกว่าตัวเองมานั่งฟังแล้วก็รู้แล้วก็ขอใจแล้วหรือว่าบางคนหนักไปกว่านั้นผูุ้ดชนก็ผู้ไม่ได้สดับก็ไม่สนใจจะสดับอะไรทั้งสิ้นฉันว่าดีแล้วฉันก็ไม่เห็นทุกอะไรฉันก็ทําถูกแล้วฉันก็ไม่ได้เลวชั่วอะไรสังขารทำไปใครเป ว, ว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ ปฏิบัติไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็จะเห็นว่าในแต่ละคนในแต่ละคนก็จะมีกิเลสเข้าประกอบในทุกๆขณะเลยพอมีการกระทบทางผัสสะคนคนนึงก็เปลี่ยนจากคนดีๆขึ้นมากลายเป็นสัตว์นรกกลายเป็นความโกรธโโหบางคนก็ออืหยุดดูแล้วแบบออืฉันไม่อยากจะนึกเลยว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้ด้วยหระเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก่อนหน้านี้ฉันยังเห็นก็เป็นคนดีอยู่เลยที่วีนแบบแตกแบบละเอียดเลยเนี่ย ไม่รู้ตัวเลยคือแต่พอถึงจุดนี้เนี่ยที่หมดวิจิตรช้าความองเละสงสัยเนี่ยในปัสธาบันเนี่ยเห็นคนพวกนี้เนี่ยไม่มีอะไรสงสัยเลยในขณะที่เขาเป็นคนดีเมันก็แค่อยู่ข้างล่างมันยังภูเขาไฟมันไม่ระเบิดพื้นดินมันก็กลายเป็นพื้นดินธรรมดานะ่ะแต่อยู่ๆมันระเบิดตูมขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีอ่าเจตสิกเข้าประกอบเนี่ยก็ก็อย่างนั้นแหละก็เป็นอย่างนั้นะ แล้วเขาก็ไม่ได้มีสติปัญญาที่จะไปรู้ทันอะไรก็ น, นึกว่าตัวเองทําถูกทําดีทําสมควรทุกคนที่ด่าคนอื่นนะรู้สึกตัวว่าตัวเองสมควรไอ้นี่มันสมควรที่จะถูกด่าอยู่แล้วนั่นนะ่ะสักกายะทิฏฐิเต็มเต็มเราสมควรที่จะด่าไอ้นี่อยู่แล้วมันเป็นบุคคลเราเขาทั้งหมดแล้วมันเต็มสูบแล้วเต็มรูปแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้มีแต่สักกายะทิฏฐิคือความเห็นผิดในความเป็นตัวตน แล้วถ้าชีวิตมันเต็มไปด้วยอย่างนี้มันจะให้มันเป็นอย่างไหนละ่ะก็เนี่ยสัมยोชนข้อที่หนึ่งเลยยังไม่ถึงไหนเลยเมื่อกี้นยสัตยธิทิลมันก็จึงทําให้เกิดความนองเลสงสยัยทําไมทําไมทําไมเออแล้วปฏิบัติไปจะพ้นจริงเหรอทาไมมันยากอย่างนี้ทําไมทําไมไปหมดเพราะมันไม่ทําอะไรเลยมันเอาแต่นั่งคิดก็ทนะําทไมตลอดถ้าทําไปซะมันก็หมดเรื่อง เหมือนคนจะเดินขึ้นไปชั้นสองชั้นสองมีอะไรอ่ะอธิบายให้ฟังหน่อยทีแล้วทำไมมึงไม่เดินขึ้นไปล่ะก็มีทางเดินก็เดินกันไปเรื่อยๆเดินมันยังไม่เห็นมันก็สงสัยพอมันเห็นนิดๆมันก็เริ่มอ๋อเออมีอย่งั้นจริงด้วยพอขึ้นไปอีกมันก็เห็นเห็นเห็นมากขึ้นเรื่อยๆไปเองอหะมันก็หมดสงสัยพอขึ้นไปถึงปั๊บมันก็อ๋อก็แค่เนี้ยมันก็หมดสงสัยเลยใครจะต้องมาบอกอะไรอีกมันหมดแล้วเส้นทางเดินก็เห็นหมดแล้วว่ากายนี้ใจนี้รู้สึกยังไงมันก็็เหหนมดล พอขึ้นมาพ้นไปก็ยิ่งเห็นชัดใหญ่พอพ้นแล้วมันถึงจะเห็นชัดถูกไหมพ้นแล้วมันถึงจะเห็นชัดถ้าไม่พ้นม่เห็นไม่ชัดนะวิจิกิจฉาตัวสุดท้ายที่พระโสดาบันละได้ก็คือสามตัวนี้ศีลพัตตปามาตรความยึดมั่นในศีนพลพธ์แปลว่าอะไรไม่ดีหรอือการยึดมั่นในศีล ไม่ใช่สวดมนต์ต้องอย่างนี้ถึงจะถูกแบบที่สวดยังไม่ถูกเร็วไปสินคาปตาปาหมาดในประสดาบันไม่มีคนนี้สวดผิดคนนั้นทำผิดเดินต้องแบบนี้นะเดินแบบนี้ผิดพวกนี้ยึดมั่นในศีลพจน์และแถมนึกว่าตัวเองถูกพวกนี้มีแต่ความเป็นตัวตน <c oughs> ปฏิบัติต้องแบบนี้ที่แบบนี้เนี่ยสำนักนี้ผิดสำนักของฉันถูกไอ้นี่เต็มเต็มพวกนี้เต็มเต็มหมดเพราะฉะนั้นจะมาพูดอะไรเรื่องพระโสดาบันพระโสดาบันละหมดแล้วพวกเนี้ยก็เห็นเป็นธรรมชาติธรรมดาสัตว์โลกอัจฉิยาศัยมากมายกายกอง <c oughs> ไม่งั้นพระเจ้าก็สอนคําสอนเดียวเด็จะมาสอนอะไรเจอท่านไพรยาบอกภายาัยยะเธอรู้สักดิ์แต่รู้เห็นแต่สักด์ตเห็นเมื่อนั้นเธอจะไม่มี เมื่อเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างโลกแห่งสองทั้งสองน้านที่สุดแห่งผู้ท่านพายยาบาลุธรรมทาไมพระเจ้าในเมื่อพระพายยาบาลุธรรมได้อย่างรวดเร็วที่สุดในพุทธศาสนาทําไมไม่ยืนคําสอนนี้ละ่ะพอเจอคนที่สองก็เธอรู้สักแต่รู้สักยืนเดี่ยงเลยนะเพราะฉะนั้นอัธยาศัยของสัตว์โลกเนี่ยหลากหลายสุดๆ พอเจอที่ดาช่างหูที่ดาช่างทอผ้าเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าค่ะเธอจะไปไหนไม่ทราบพระเจ้าค่ะเธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้าค่ะเธอทราบหรอไม่ทราบพระเจ้าค่ะหลุดพ้นเป็นกระโสดาบันเลย แล้ทำไมไม่บอกที่ดาช่างหูให้สักแต่รู้สักแต่เห็นล่ะแล้วลถ้ามีคนผู้รู้หรือผู้อวดรู้ที่ไม่รู้มีเกิดผู้เจ้าไปถามสี่คำถามเนี่ยปฏิบัติผิดครับต้องไปเดินก่อนนะต้องเดินแบบนี้ด้วยถึงจะถูกจะไปเจอสี่คำถาม ท, ามที่จะหลุดพ้นยังไง ถึงบอกว่ามีแต่พระศาสดาที่รู้อัธยาศัยสัตว์โลกสาวกจบเลยใครจะเปลี่ยนคำสอนได้ตามขณะที่กำลังเจอแบบนี้ไม่มีหรอกเห็นไมหมล่ะว่าองค์ไหนแบบไหนท่านไหนเนี่ยสอนอะไรนะไปดูเถอะไปเปิดซีดีดูเลยสอนแบบเดิมหมดสอนแบบเดิมหมดใครสอนแบบไหนก็สอนแบบนั้น ไปดูอีกสำนักหนึ่งสอนแบบไหนไก็จะสอนแบบนั้นอีกคนหนึ่งถ้าต่อให้ท่านนั้นเรารู้สึกว่าท่านถึงธรรมแล้วเนี่ยท่านสอนแบบไหนก็จะดีที่ท่านสอนแบบนั้นมีไหมที่เปลี่ยนคำสอนตามสิ่งที่เจอเลยตามตามบุคคลที่เจอมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่สามารถเห็นอัธยาศัยสัตว์โลกว่าอาดีตสั่งสมมายังไงแล้วใช้คำสอนที่ตรงเพื่อจะกระแทกทะลุออกไปเลย ไม่มีในยานของสาวกยานไม่มีเพราะฉะนั้นเราพลาดมา 2,600 ปีแล้วไม่ต้องไปเสียใจเลยเพราะมันไกลจัดแม้ถ้าเฉียดไปนิดนึงแล้วโอ้โหมันยังค่อยมานั่งเสียดายเนะี่ยโอ้ตายแล้วพลาดพระพุทธเจ้าไปิดพระ อ, องค์เพิ่งปรินิพพานเออถ้าอย่างนี้มันยังมีเฉียดอย่างนี้ไม่เฉียดเลยทําบุญมาน้อยมากอะ่ะสั่งสมมาก็ไกลลิ ก็โดนโลนลงมานี่ได้ยินได้ฟังกบุญแล้ว 2,600 ปีพระองค์แค่80ปีนะพระชนมายุห่างออกมาตั้ง 2,600 ปียังได้ยินอรียามากกบุญแล้วยังได้สวดอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีเฉียดดังนั้นเจอสาวกหรือเจอสำนักไหนนะเขาสอนปืดเดียวก็ต้องไปดูเอาเองว่ามันพอดีเราเปล่าเนี่ย <laughs> เดินเข้าไปโอ้โหไม่พอดีคือ ม, มันเหมือนกับเสือ้อแต่ละสำนักเนี่ย ตัดไว้ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L XL กางเกงคือเดินเข้าไปก็ลองใส่ดูไม่พอดีวางไปเดินหาร้านอื่นคือเขาเขาทำกันแค่นี้ไงแต่พูะเจ้าเนี่ยท่านเดินไปเทเลเมดเลยพระองค์นี่เทเลเมดเลยเดินมาแบบไหนตัดเฉพาะตัวผมมึงบอกการบรรลุธรรมเป็นเรื่องเทเลเมดเป็นเรื่องเฉพาะตนไม่มีใครทำตามใครได้เลยมาฟังเนี่ยต้ฟังแกนกลางเฉย มาฟังหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลางสำหรับผมคืออริยมรรคมีองแปดถ้าไม่รู้จักอริยมรรคมีองแปดไม่รู้จักหลักสูตรแกนกลางที่จะเอาไปใช้ชีวิตเนี่ยแล้วยังไงอ่ะมีคนไปสำนักไหนก็บอกให้เดินแบบนั้นนั่งแบบนี้เธอต้องหายใจแบบนี้เธอต้องขยับแบบนู้นคือเอาปลายทางมาบอกเลยไม่บอกเลยว่าหลักการคืออะไรคือมาถึงก็ มามาเลยคือสาเร็จรูปเอาไปเลยทีนี้พอเอาไปเลยเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วจะพลิกยังไงพลิกไม่ได้เพราะไม่มีความรู้พื้นฐานไม่เหมือนอ่ะสมมติว่าเด็กญี่ปุ่นเนี่ยเด็กญี่ปุ่นให้เรียนพื้นฐานมาทั้งหม ด, ค, ค, ค, หดค่อยๆหัดบวกลบคูณหารแล้วก็มาถึงลูกคิดลูกคิดมาถึงวิธีทำให้ไฟติดกว่าจะมาสร้างแบตเตอรี่ได้ เห็นพื้นฐานมาหมดพอแบตเตอรี่มันไม่ดีจะพัฒนามันพัฒนาได้เพราะว่ามันค่อยๆปรับมาจากเอากดน้ําส้มใส่ไปในน้ํามะนาวใส่ไปในเนี่ยแล้วมันไฟติดเพราะยัมันมีพื้นฐานขึ้นมาหมดตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกบวกกันเป็นกองกองมาถึงสูตรสูตรคูณไปจนถึงไหนแต่วันนี้มาถึงเมื่อกดเครื่องคิดเลขถ้าเครื่องคิดเลขมันจะพัฒนาเครื่องคิดเลขมันพัฒนาไม่ได้เพราะมันไม่รู้พื้นฐานของเครื่องคิดเลขมันมาอย่างไง มันไม่เหมือนกับพวกเขาวันนี้คนไทยจึงต้องใช้ของที่มันสำเร็จรูปทั้งหมดเพราะเราพัฒนาต่อไม่ได้เราไม่มีพื้นฐานเลยเราจึงถูกยัดเยียดแบบเดียวกันนะคนที่เข้าไปปฏิบัติธรรมก็ถูกยัดเยียดแบบเดียวกันทีนี้พอมาปลายทางปุ๊บเสื้อไม่พอดีเลยแก้ไงอ่ะไม่เคยมีใครสอนให้ตัดไม่มีคนสอนให้ตัดแล้วย็บยังไงอ่ะก็ทิ้ง แล้วก็เดินหาของที่พอดีต่อไปเรื่อยๆถ้าชาตินี้ไม่เจอเลยล้านไหนที่พอดีตัวของเราไส์เรามันคล่อมพอดีเอ็มกับแอลเนี่ยเสร็จเลยกู <c oughs> นะเ <c oughs> ขาต้องใส่โคกๆไปใช่ไหมก็ปิ้นๆนิดหน่อย <c oughs> อนะไม่ค่อยพอดีแต่เอาอีกเอะไปอีกสำนักหนึ่งก็หลวมใส่ไม่ได้พอไปอีกสำนักหนึ่งเขาก็หวัดตึงไป <c oughs> คือกลัวว่าตึงไป ความจริงอนะทางสายกลางอยู่แล้วแต่กูว่าตึงไปมือเดียวนะ่ะตึงไปนะโหอะไรทุ่งดขวัตตึงไปเราต้องทางสายกลางคือกินแม่งห้ามื้อเลยนะกลางมากเลยตกขอบกันไปเลยนะอยากดูอะไรก็ดูอยากกินอะไรก็กิกนอยากเป็นอะไรก็เป็นอยากไปไหนก็ไปนั่นแหละชีวิตอิสระนะนั่นแหละนั่นแหละอิสระชนเ อ, เอาเลยตามสบายไม่มีใครว่าอะไร ตใครจะว่าอะไรชีวิตใครกับชีวิตใครไปเอาเถอะเลือกเราเองนะที่มามานี่ก็คือมาบอกเลยเฉยว่าหลักสูตรแกนกลางที่พระเจ้าบอกคืออะไรเนี่ยในวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่อริยมรรคอริยศสตร์หลักสูตรแกนกลางเนะจริงๆอริยศาสตร์ก็ไม่ใช่หลักสูตรแกนกลางเราปฏิบัติตามอาริยมรรคเรรู้แจ้งอริยศาสตรเองนะเป็นผลแต่ก็เอามาชี้ไว้ก่อนเอาละทีนี้มาถึงสี่รักอา่าอ่า สีรพตประมานะก็คงไม่ต้องมีอะไรมากก็คือทำตามๆกันไปเขาว่าอะไรดีก็ว่าตามเขาแล้วก็เอามาคุยต่อว่าตัวเองทำถูกรู้อะไรก็ไม่รู้ทีนี้ ก, กายะทิฏฐิพอเราเริ่มพอเข้าใจความเห็นผิดนี้พอนึกออกแล้วมันมีมาได้ยังไงทำไมมันถึงเป็นกันหมดทำไมมันถึงเป็นกันหมดเหตุเกิดมิชาทิฏฐิ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรหนอมีอยู่เพราะถึงมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิจจิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดแม่น้ําย่อมไม่ไหลสตรีมีคันย่อมไม่คลอดพระจันและพระทิตย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตกเป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุษณาเนียด ดังนี้พเจ้าถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรหนอมีอยู่นะจาไว้ทีละคำนะเพราะเดี๋ยวท่านคงไปเฉลยตอนท้ายเมื่ออะไรหนอมีอยู่มีอะไรนะมีอยู่เพราะถือมั่นในอะไรอะไรหนอมีอยู่ถือมั่นในอะไร เพราะยึดมั่นในอะไรยึดมั่นถือมั่นในอะไรเยทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดแม่น้ําย่อมไม่ไหลสตรีมีคันย่อมไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นน้องย่อมไม่ตกเป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุดเสาเรเนียนทิฏฐิอะไรที่เกิดขึ้นแบบนี้ อิสุเหล่านั้นปรับทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐานมีพระผู้มีพระภาคเป็นแบบมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพอเนื้อความแห่งพาสิทธิ์นี้จงจำแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคเถิดอิสุทั้งหลายได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ คือพระเจ้าถามว่าลมย่อมไม่พัดแม่น้ำย่อมไม่ไหลสติมีคันย่อมไม่คลอด <c oughs> พระจันทร์อาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นไม่ตกเนี่ยให้ภิกษุอธิบายให้ท่านฟังว่าทิฐิเนี่ยคืออะไรภิกษุทั้งหมดที่นั่งฟังก็ก็เลยทูลพระเจ้าว่ า, ข, าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของพระองค์เนี่ยคือข้า ทำทั้งหลายของข้าพระองค์เนี่ยมีพระผู้พระภ้ามีพระผู้มีพระพ้าเป็น <c oughs> เป็นรากฐานขอให้ท่านพูดมาเลยดีกว่าข้าพระเจ้าจะได้ทรงจำไว้นะคื อ, ค, อคือไม่ใช่เป็นแต่ยุคเราหรอกนะคือเมื่อกี้ฟังแล้วเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าพระเจ้านั่งเนี่ยประทับอยู่เนี่ยแล้วก็ถามคำถามเดียวกันเนี่ยก็คำถามเดียวกันที่สุก็นั่งอย่างนี้ แ้วท่านก็ถามว่าอะหมายถึงอะไรในยุคนั้นเราก็เห็นเลยจากคาถามเนี้ยจากจากที่ทูลบอกบอ ก, ก็คือคงนั่งกันสนิทเหมือนกันคือไม่รู้พระเจ้าหมายถึงอะไรเนี่ยนะก็เลยคงจะมีทิกษุรูปหนึ่งทูลขึ้นมาก็ข้าพระองค์ก็มีคือภาพภูพพ้มีพระภาคเป็นแบบนะก็พระองค์ก็ให้แจ่มแจ้งกับพระองค์เลยดีวยกว่าเดี๋ยวพวกเราจะได้ทรงจํากันไปเลยนะจะได้ไม่พลาดนะเดี๋ยวทรงจําผิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นบุญรับพระพุทธดำหลักแล้วถูกไหมอโอเคได้ถ่านั้นฟังดีๆนะก็ถ้าจะไม่คิดอะไรเลยก็จะบอกให้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปแรมีอยู่เพราะถือมั่นรูปเรายึดมั่นรูปพิจิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่ากลับมาดูที่ผมให้จำเลยเมื่ออะไรหนอมีอยู่นะเมื่ออะไรหนอมีอยู่แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในอะไรกลับมาดูนะ ผุเจ้าเปิดอันนี้ไว้ตรงหน้าแรกนะพิสุเหล่านั้นพระผู้มีประภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปแรมีอยู่เมื่ออะไรหนอมีอยู่คือรูปเพราะถือมั่นรูปเพราะถือมั่นในรูปยึดมั่นในรูปเอาละนะ พระเจ้ากำลังเปิดเฉลยแล้วนะเพราะยึดมั่นรูปพิจิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดไม่น้ําย่อมไม่ไหลสตรีมีคันย่อมไม่คลอดประจันและพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตกเป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียดเมื่อเวทนามีอยู่เมื่อสัญญามีอยู่เมื่อสังขารมีอยู่เมื่อวิญญาณมีอยู่เอาละพูดง่ายๆก็คือถ้ายึดมั่นขันห้านะ เมื่อขันห้ามีอยู่มีรูปเวทนาสัญญาสำคัญวิญญาณเนี่ยแล้วมีทิฏฐิแล้วมีเ อ, แ ล, เอแล้วก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสำคาญวิญญาณเนี่ยก็คือมีอุปาทานในขันนั่นเองนะทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเอาละทีนี้กลับมาถึงที่ว่าลมไม่พัดอะไรเนี่ยนะหมายถึงอะไรลมย่อมไม่พัดปกติลมพัดไหมพัดลมย่อมไม่พัด แม่น้ําปกติก็ไหลอยู่แล้วแม่น้ําก็ต้องไหลแม่น้ําย่อมไม่ไหลสตรีมีครันก็ต้องคลอดสิไม่คลอจะโป่งอยู่ยางนี้ยังไงใช่ไหมก็ต้องคลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ไม่มีตั้งอยู่อย่างนี้ยก็ไม่ต้องมีกลางวันกลางคืนก็ขึ้นก็ตกกันอยู่แล้ ว, ลวอะไรอีกจะให้มั่นคงดุดเสาระเนียดท่านหมายถึงว่าจะให้ทุกอย่างหยุดหมดนะทิฐิแบบไหน ที่จะให้ของที่เป็นธรรมชาติที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไหลไปเรื่อยๆหยุดอยู่กับที่เราอยากมีความสุขเราไม่อยากมีความทุกข์ทุกคนสแสวงหาแต่ความสุขเราอยากให้ทุกอย่างมันหยุดอยู่อย่างนี้ตอนนี้ผิวพรรณหน้าตาสมมติว่าท่านผ่องใสสวยงามเป็นสาวเป็นอะไรโอ้ แต่อาจจะอยากให้ดีขึ้นนะแต่ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงทุมวันหนึ่งฝิวสิวเม็ดกระแป้งขึ้นมาเนี่ยอยู่ในคอสเนี่ยเชา้าตายแล้วสิวกระแป้งขึ้นมาเลยใจเสียไหมหนองค่อยไหลออกมาแดงๆปนเลือดเลือดหนองๆไหลมาลูกเท่าไฟเม็ดใหญ่ๆตายแล้ว็คือั่อคืนไปอะไรเนี่ยทำไมถึงออกมาแล้วพออีกวันก็ค่อยพุ ข, ขึ้นมาข้างอุ้ยตายแล้ว ท่านจะยังมนงั่งปฏิบัติอยู่ไหมไม่เลยขอไป อ, อะไรคลินิกนี่ก่อนทำไมอ่ะคุยเมื่อวานยังไม่เป็นเลยนะอาจารย์ทำไมลมจะไม่พัดน้าไม่ให้ไหลสตรีมีขันไม่ให้คอดเลยใช่ไหมพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นไม่ให้ตกเลยคือให้มันมั่นคงดูเสาและเนียดเอาไว้เงี้ยนางเนี่ยนะเข้าใจยังเมื่อ ย, ยึดมั่นในรูปโอยเป็นมะเร็งนะ เมื่อวานยังไม่เป็นเลยวันนี้เป็นไม่จริงหรอกหมอเพิ่งปวดตรวจเจอมันเป็นมาตั้งหลายปีแล้วแค็งไม่รู้แค่นั้นเองพอาตรวจเจอเหมือนผมอ่ะเฮ้ยจานสมองฝ่อมันฝ่อมาตั้งนานแล้วหมอเอ้ยหมอเพิ่งเห็นแต่ผมก็ไม่เห็นผมไม่ใช่ว่าจะเห็นนะก็มันใช้แค่ไหนมันก็เหลือแค่นั้นแหละธรรมดาก็มันจะใช้แค่นี้ไม่ใช่อนาคตมันจะเหลือเท่าฝักถั่วก็ไม่รู้ก็มันใช้แค่นั้นมันไม่ใช้ทําอะไร มันใช้แค่เดินเหือนหยิบจับกินข้าวย่อยอาหารมันคงใช่แค่นั้นต่อไปก็คงเหลือเท่าที่มันใช้อะไรมันจะไปเดือดร้อนอะไรมะเร็งก็มะเร็งก็เป็นกระบวนการที่มันทํางานก็กินอะไรเข้าไปบ้างแหละจะไปว่าอะไรเขาเขาเป็นมะเร็งก็ถามเนี่เราใส่อะไรเข้าไปบ้างเราทุบเข้าไปแค่ไหนอากาศที่เราหายใจมันเป็นยังไงก็องค์ประกอบมันก็พร้อมจะเกิดมะเร็งทุกอย่างอยู่แล้ว มันจึงไม่แปลกจริงๆต้องบอกว่าโอ้โหอยู่ไม่ได้ตั้งนานนะมันน่าจะเป็นตั้งนานแล้วไม่จะเป็นยิ่ไปเดือดร้อนอะไรกับมันเนาะมันเป็นก็เป็นที่กายไม่ได้เป็นที่ใจมันเป็นที่กายอย่าให้มันเป็นที่ใจมะเร็งเนี่ยนะไม่ว่าจะโง่อะไรเนี่ยเป็นถ้ามันจะเป็นที่กายมันเป็นไปเถอะใจไม่ตีองเกี่ยวอะไรเหยียบที่หมาก็เหยียบที่กายไม่เหยียบที่ใจอใจก็ไปเดือดร้อนก็โง่เองเนี่ย เหยียบอยู่ที่กายนี่เกี่ยวอะไรปวดจะบอกว่าปวดอยู่ที่ขาก็มไม่ใช่มันค่อมค่อมมันอยู่เวทนาทางกายมันก็ค่อมค่อมมันอยู่ไม่อยู่ที่กายตั้งแต่ไร่มันก็ไม่ใช่อยู่ที่ใจโดยใจก็ไปดึงเข้ามาเฉยดึงเข้ามาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอะไรเนี่ยที่ผมพูดแต่เวทนาสัญญาสังขารผมก็พูดไปเรื่อยๆทีเดียวเลยนะมันไม่ใช่ผู้จ้าไม่ได้ตราเฉพาะกายเน่ยก็เนี่ย เมื่อเวทนามีอย <C> ู่สัญญามีอยู่สังขารมีอยู่การปรุงแต่งก็อยู่ๆก็ไปยึดมาเป็นของเรานั่งคิดๆแล้วก็นั่งสุกขทุกข์ทุกข์ทุกข์ทำไมสังขารของเกิดเกิดดับๆไม่เห็นเลยผมบอกให้จิตตั้งมั่นแล้วก็เห็น่ความคิดก็เกิดดับเกิดดับแล้วเขาอยู่ๆก็เข้าไปยึดเข้าไปถือพอยึดถือแล้วเป็นไงมันก็ทุกข์กันสิก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงอยากให้มันของดีๆคนนั้นก็อยากจะให้เป็นอย่างนี้แฟนก็อยากจะให้อยู่แค่นี้ยดีกับฉันอย่างนี้ดีกับฉันอย่างนี้อยปนแ พอมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะการกระทบไปเห็นะผู้หญิงอื่นผู้ชายอื่นเดี๋ยวนี้มันแบบทำมันซาหล่อสวยขนาด น, นั้นมันก็ต้านกิเลสตัวเองไม่ไหวก็ล้มลงไปฝั่งนูน้น็เอก็ในพระโสดาบันก็เห็นความธรรมดานะเพราะมันไม่เคยฝึกที่จะอดทนอดกลัน้นลากกิเลสอะไรทั้งสิ้นมันจะไปทนอยู่ได้อย่างไรในโลกที่มันเต็มไปด้วยกระแสที่เล่าร้อนขนาดนี้มันทั้งเผาทั้งลนทั้งกระชากทั้งถู โซเชียนิตเวิร์กก็ไวกันขนาดนั้นนะตั้งลายปลอมบ้งอะไรบ้างเขาหาไม่เจอแล้วเพราะฉะนั้นในปัจดาบันหมดความสงสัยแล้วทำไมเธอถึงเปลี่ยนแต่อโหยมันเปลี่ยนชาไปด้วยมันควรจะเปลี่ยนเรื่องนานแล้วนะคือไม่มีใครเอาใครอยู่แล้วชั่วโมงนี้คีเรตันหามันรุนแรงขนาดนี้ไม่มีใครว่าอะไรใครแล้ว ความอดทนอดกัน้นกำแพงอะไรก็ไม่มีทั้งสิ้นเพราะฉมันทำได้หมดแหละก็หมดความสงสยัยละไปยึดมั่นหรือมั่นในอะไรละการเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าบอกว่ามาบ่นว่าโลกทุกวันนี้แย่จังเลยน้าจ้านู่นนะี่น่ะผมบอกว่าเดี๋ยวมีแย่กว่า น, นี้ลงไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจนถึงจุดหนึ่งที่พระเจ้าตรัสว่าสัตย์ถันตลกะับถึงจุดที่มนุษย์ทุกคนมีแต่ความเป็นตัวตนอย่างเดียว ท่านลองนึกถึงภาพสมัยที่มีม็อบกันเยอะๆนะแค่ใส่เสื้อต่างสีกันเนี่ยทั้งๆที่เป็นเพื่อนบ้านกันคนในครอบครัวกั น, นจำภาพเรานั้นได้ไหมละ่ะบ้านแตกสแลกขาดเชื่อไม่ว่าถ้าไปอยู่คนลรฝั่งเนี่ยความเลือดเดือดเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยมันจะฆ่าฝั่งนู้นได้เลยแค่ใส่เสื้อยือดอีกสีหนึ่งเดินเข้ามาเนี่ยรับรองได้ว่าถูกกระทืบจนม้ามแตก แล้วมีใครที่สมมติว่าเฮ้ยนี่มันคนนะไม่มีมันหน้ามืดตามัวโทรศัพท์มันเข้าประกอบจิตกลายเป็นสัตว์นรกกันทั้งฝูงเลยฝูงแบบฝูงแรง้งฝูงหาลงขย่ำพร้อมกันเลยไม่มีคนเห็นอีกเลยนี่แหละทั้งทั้งที่ทุกวันนี้เนี่ยให้เราไปเอามีดไปเดินเดินไปชอปปิง้งเฮ้ยข้ามทิ้งเกิดกายใช่ไหม เราทําได้ที่ไหนล่ะถึงเวลานั้นนะ่ะไม้ขวดขวดขวดเข้าไปทั้งนั้นนี่เขาแ ค, แค่ใส่เสื้อพละสีแค่นั้นนะ่ะนี่แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นล่ะมันยิงกันวินนาสันตโลในวันนั้นน่ะผมจะมาบรรยายทํามเนี่ยมาไม่ได้อะรถมันติดแต่ม็อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นในจิตนะผมไม่สนนะั่นนั้นว่าบ้านเมืองอะไรนะั่นนะก็สนนะั่นแหละแต่ว่าเรื่องของจิตเนี่ยเรื่องใหญ่ เนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างแต่ทุกคนกลับเห็นแต่เรื่อง อ, อยู่ตรงหน้านั่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อทิฏฐิมันเกิดขึ้นว่าอะไรก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราย้อนกลับมาที่เนี่ยกายกับใจของเราเนี่ยรูปเวทน า, าสาัญญาสังขารวิญญาณก็คือกายกับใจของเราเนี่ยเข้ามาสังเกตแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงทายัางไงถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือให้จิต ตั้งมั่นไว้จิตตั้งมั่นไว้เมื่อจิตตั้งมั่นจะเห็นว่าสังขารคือการปรุงแต่งด้วยความคิดเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วก็ดับมาก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเพื่ออะไรรู้ไหมทำไมพูะเจ้าถึงต้องให้เห็นว่าขันห้าเป็นไตรลักษณ์มันจะได้สลายความรู้สึกที่จะให้มันมั่นคงดุดเสาระเนียดนนทิ้ง ถ้าเราอ๋อเข้าใจแล้วไม่เข้าใจนั่งฟังเข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจพวกที่นั่งฟังเนี่ยผมรู้มันไม่เข้าใจมันไม่มีทางเข้าใจจนกว่ามันจะเข้าไปเห็นเองมันต้องเห็นเองคนที่เข้าใจผิดคือจิตไม่ใช่เราเราไม่เคยมีเราเป็นผลผลิตของความโง่ถ้าเราชื่อ คือเอาเนี้ยจิตโง่เราเคยได้ยินจิตโง่นะจิตโง่นะท่านพุทธทาสบอกจิตโง่เข้าไปยึดขันห้านะจิตโง่เข้าไปยึดขันห้าเราเนี่ยคือผลผลิตของจิตโง่เข้าใจไหมความรู้สึกเป็นเราเนี่ยเป็นผลผลิตของจิตโง่เพราะฉะนั้นไอความรู้สึกเป็นเราเนี่ยคือซุปเปอร์โง่โง่หนักกว่าไอไอต้นฉบับอีกคือต้นฉบับเนี่ยชื่อจิตโง่ เราเนี่ยเป็นผลผลิตของต้นฉบับคือไอ้ซูเปอร์โง่แล้วบอกว่าซูเปอร์โง่เนี่ยเข้าใจแล้วมึงมาจากไหนมึงจะไปไหน <c oughs> มึงไม่รู้เหรอฮะว่ามึงเป็นซูเปอร์โง่แล้วมึงมาบอกมึงเข้าใจแล้วมึงเป็นผลผลิตของความโง่ความไม่รู้แล้วมาบอกว่าเข้าใจแล้ว กูที่ไหนเข้าใจคนที่เข้าใจคือที่เขาชื่อจิตโง่เนี่ยเขาจะต้องเข้าใจเขาจะได้หายโง่เมื่อเขาหายโง่ไอ้ซูเปอร์โง่เนี่ยจะหายไปไม่ใช่มาเอาความรู้ใส่ไอ้ซูเปอร์โง่ทุกวันเนี่ยทุกคนมาเอาความรู้ใส่ไอ้ซูเปอร์โง่นี่ก็ดิ้งทำให้ไอ้ซูเปอร์โง่เนี่ยแข็งแรงขึ้นไปอีกนึกออกกันยัง่ะ ไอ้ที่วันนี้นั่งศึกษาอ๋อรู้แล้วเข้าใจแล้วศึกษาทุกอย่างเห็นทุกอย่างฟังทุกอย่างคือไปเติมกําลังไอ้ไอ้ไอซุปเปอร์โง่เนี่ยแล้วก็บอกกูเข้าใจแล้วก็ปนปี้สิงั้นแทนที้เติมกําลังให้อิจิตโง่เนี่ยแล้วจิตโง่เนี่ยมันเกิดฉลาดขึ้นมาแล้วมันเกิดมีปัญญามันเกิดวิชาขึ้นมาไอ้ซุปเปอร์โง่เนี่ยดับวับเลยไม่ต้องไปทําอะไรไอ้ซุปเปอร์โง่นี่ แต่วันนี้กลับไปเติมกําลังไปนั่งศึกษาให้ซุปเปอร์โง่มานั่งสมาธิเห็นนั่นเห็นนี่ก็เอาซุปเปอร์โง่นี่มานั่งคิดว่า น, นี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มานั่งถามสภาวะธรรมมานั่งคุยสภาวะธรรมไอ้สภาวะธรรมเนี่ยมาจากใครมาจากไอ้ซุปเปอร์โง่นี่มานั่งพิจารณาว่านี่คือสภาวะธรรมก็ยิ่งไปเติมกําลังให้ไอ้ซุปเปอร์โง่นี่ขึ้นไปอีกไอ้ซุปเปอร์โง่ก็ว่าเป็นสภาวะธรรมของกูให้ยึดอะไรจนเข้าไปใหญ่โต สภาวาธรรมคืออะไรคืออะไรคือธรรมชาติของคือธรรมชาติธรรมดาที่แสดงออกมาหนึ่งสรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดานี่คือธรรมชาติการเข้าที่นั่งเข้ามาทำสมาธิเข้ามาเจริญวิปัสสนาเข้ามาสังเกตกายกับใจเพื่อให้เห็นว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดา โอ้อาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมที่เห็นการเกิดดับอย่างนี้ใช่ไหมที่เป็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมอะไรวะของมันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติธรรมดาทำไมต้องไปดึงขึ้นมาแล้วคือถ้าบอกว่าสภาวะธรรมแปลว่าสภาพธรรมชาติเนี่ยใช่แต่วันนี้คาว่าสภาวะธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นว่าฉันที่กาลังปฏิบัติเจริญก้าวหน้ามีแต่ถอยหลังสิพี่ เขาไปเติมกำลังให้ซูเปอร์โง่อะคอสนี้ทำไมถึงไม่มีการสอบอารมณ์รู้ไหมเบื่อจะไปให้แรงมันและอย่าไปให้กำลังมันอีกเลยมาทำสามวันเจ็ดวันโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้เห็นปุ๊บปั๊ บ, บ, บ, บแสงสีไฟแลบกันไปหมดแล้วก็บอกสภาวะธรรมสภาวะธรรมไหนเดินออกไปเหงื่อแตกผมถามว่าโอ้ยอาจานเดินออกไปเหงื่อแตกด้วยสุดยอดเลยอะ คุณสุดยอดอย่างใครวะใช่ไหมอย่างเนี้ที่ที่เห็นเหงือไหลออกมาน้ําหยดอย่างนี้ยใช่ไหมสภาวะธรรมใช่ไหมแค่นี้มันเป็นอะไรกันไปหมดเราไม่ได้คือของเป็นธรรมชาติธรรมดาเมื่อมีการกระทบเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นก็มันก็ไม่แค่นี้เออถ้าจะเข้าใจให้เข้าใจตรงนั้นเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าน้ําเหงื่อไหลใคร ย, ย้อยแบบนี้แล้วก็มาบอกสภาวะธรรมอ อาจารเห็นก้านเนื้อทุบตักทุบตักทุบกผมถามจริงว่าระหว่างคุณทํางานอยู่ที่โต๊ะนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์นั่งเล่น Facebook มันไม่ตุบตักเลยอ่ะมันตุบตับตลอดเวลาแต่คุณมัวแต่หลงพอหยุดพวกนั้นก็มีเวลามานั่งดูพอนั่งดูไปเห็นทุบตักปะทุบตักเพราะว่าสภาวธรรมอีกผมบอกปาไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วพอแล้วอย่าอย่าไปเสริมแล้วผมก็ขี้เกียจที่จะมานั่งพูดทีละสี่สิบครั้งห้าสิบครั้งนี่คือแปดสิบสองครั้ง ถ้าให้เขามานั่งสอบอารมณ์ก็คือต้องมานั่งบอกแปดสิบสองครั้งแล้วก็ไม่อยากจะมานั่งเบรดทุกคนพูดรวมๆกันดีกว่าจะได้รู้สึกว่าอาจารย์ไม่ได้ว่าเราอะแต่ถ้าเข้าไปเดียเด่ยวๆกับผมเนี่ยท่านนั่งไม่ไหวนะคือบรรยายอย่างเงี้ง่ายกว่าคือจริงๆก็ก็ด่าท่านะ่ะแต่มันรวมไปเลยมันยกเข่งเขาเรียกว่าเหมาเข่งกันไปเลยคือพอเหมาเข่งปับ๊บมันจะด่าพูเราใด้ ไม่เกี่ยวเลยกูแล้วจริงๆแล้านะ่ะตัวเต็มเลยนะแต่แว่าก็ไม่เกี่ยวดาว่าคนอื่นไอ้ฉันไม่ได้ทำไอ้ที่ฉันเคยทําอาจารย์ก็ไม่ได้ยินอยู่ดีนะเป็นอาจารย์จะเป็นว่าอะไรฉันนะก็ไม่เป็นไรก็เนี่ยก็ทีหลังอย่าไปเอาไอ้ซุปเปอร์โง่เนี่ไปศึกษาเรียนรู้มากนักเลยมาจัด ก, การที่นี่จิตหายโง่ไปเลยไอ้ซุปเปอร์โง่อาจจะหายไปด้วยนะ ซุปเปองโง่เลยว่าเราเนี่ยที่ถามถามกันคือเราเราๆ เ, เนี่ยที่เมื่อคืนถามว่าเรากับตัวกูของกูต่างกันไหมเนี่ยคือตัวกูของกูเนี่ยคือจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวเองจึงได้ก่อให้เกิดวิญญาณสังอ่านามรูปเต็มไปหมดนั่นแหละนะ เ, นเกิดมีธรรมชาติหนึ่งเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในต น, นมันเริ่มต้นจากที่ตรงนั้นแะท่านรู้เหรอท่านแค่เป็นผลผลิต สิ่งที่ออกมามันคือผลผลิตของความเข้าใจผิดเท่านั้นเองแต่มันก็เริ่มก่อตัวกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจากเวลาที่ผ่านมาจากข้อมูลที่ใส่เข้าไปมันจากหนึ่งจากเบาบางมันก็กลายเป็นเข้มจากนั้นมันก็เพิ่งนะสมมุติว่ามีคนว่ามาแรกๆไม่พอใจความไม่พอใจก็ไหลกลับเข้าไปจากนั้นว่าครั้งที่สอง ความไม่พอใจครั้งที่หนึ่งก็กลายเป็นเชื้อให้ความรุนแรงขึ้นเป็นครั้งที่สองยกกําลังสองครั้งที่สามก็ยกกําลังสามครั้งที่สี่ก็ยกกําลังสี่จนกระทั่งวันนี้ยกกําลังเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วแล้วก็จะเริ่มเห็นข่าวการฆ่ากันไม่หยุดนะเนื่องจากว่ามันเริ่มรุนแรงกันขึ้นเรื่อยๆตัวกูของกู เธอรักกับฉันเธอไปรักกับคนอื่นเพราะฉะนั้นมีทางเดียวการแยกของเราคือตายทีนี้เมื่อมีคนฆ่าข่าวก็ออกออกปั๊บก็เสพไหลก็มาทางตาจะเห็นการโอ้โหนี่ทำไมต้องฆ่าเขาด้วยก็ไหลเข้าไปในจิตบางคนก็อ่าก็ไหลเข้าไปในจิตเด็กรุ่นใหม่เด็กที่กําลังโตก็ไหลเข้าไปในจิต เห็นการฆ่าที่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สมครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าก็จะเริ่มกลายเป็นธรรมดาสังคมนี้มีต่การฆ่าเป็นธรรมดาแล้วมาถึงวันหนึ่งที่ภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาเด็กคนนั้นก็จะคว้าปืนแล้วยิงคนอื่นได้โดยง่ายเพราะองค์ประกอบทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเมื่อมีคนทําได้เขาทีมึงยังทําได้กูก็ทําได้ก็ยิงสวนกัน นะกลับไปดูที่มาของวันนี้ถึงความเป็นมนุษย์ที่อายุทำไมเหลือแค่แปดสิบปีเจ็ดสิบปีแล้วเดี๋ยวก็จะไหลลงไปได้เอยเพราะว่าสนามพลังนี้ทนอคุศลที่เข้ามาเบียดบังได้ไม่นานแล้วมันก็จะสั้นลงอายุมันจะสั้นลงสั้นลงนี่คือธรรมชาติของความจริงพระเจ้าไม่เคยพูดเรื่องความเชื่อพระองค์ตัดแต่ความจริงอย่างเดียวเพียงแต่มนุษย์มันมองไม่เห็นเข้าไปไม่ถึงแค่นั้นเอง ท่านเม่อเนี้งบอกมนุษย์มีอายุเหลือสิบปีเพราะว่ามีแต่ความเรวความชั่วมีแต่อัตตาทุกคนจะฟังรู้เรื่องไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเยมื่อบาปชั่วกุศลมันเต็มรูปหมดแล้วอายุมันจะสั้นลงโรคภัยไข้เจ็บมันจะมากขึ้นแล้วตอนนี้เยอะไหมล่ะโรคภัยไข้เจ็บแล้วท่านไปตรวจเจอไล่ะก็เยอะไปแยะไปหมดทั้งองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในท่านอาจจะเป็นคนจิตใจดีก็ได้แต่องค์ประกอบภายนอกมันก็โอ้โหสุดขีดเลยอาหารอากาศ ถ้าหนอยจะเป็นคนอารมณ์แจม่มใสแต่ถ้ า, ถาว่ากันตรงๆเลยก็คงไม่ใช่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นองค์ประกอบมันพร้อมหมดเนี่ยเอาละกลับมาเรื่องมั่นคงดุจเสาระเนียด น, นะผมคิดว่าเราก็เริ่มพอจะเข้าใจนะเนื่องจากเราจะให้ทุกอย่างอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยมันจึงได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจิตใจของเราก็จึงยึดมั่นถือมั่นในขันห้าจึงทําให้เป็นทุกข์นึกออกไหมยังว่าทุกข์มาจากไหนอย่ยงพระเจ้าเขาก็ค่อย ให้เห็นเลยว่าเพราะอะไรหนอยึดมั่นถือมั่นในอะไรหนอทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเอาละ่ะเราทําความเข้าใจต่อไปในเมื่อพระองค์บอกว่าเพราะรูเปเวทนาสัญญาสังขารมีและเพราะการยึดมั่นเข้าไปยึดเหมือนกับที่เรายึดความคิดปั๊บต่อทุกข์ถ้าเราปล่อยละ่ะผมบอกให้อยู่ตรงนี้อย่าเข้าไปยุ่งถูกไหมผมบอกให้อยู่ตรงนี้นะอย่าเข้าไปยุ่งท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลง จะเริ่มอะไรหนอมีอยู่ยังมีไหมมีขันห้ายังมีอยู่ไหมมีแต่ทีนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นคือไม่กระโดดเข้าไปเล่นด้วยแล้วอยู่เฉยๆนะให้อาม่าอยู่ที่นะที่เก้าอี้ไว้เพราะฉะนั้นจะเริ่มเห็นว่าขันห้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตัวตวนอะไรเลยเข้าใจยังเมื่อเข้าใจอย่างนั้น ขณะที่กำลังเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้เข้าไปยึดถูกไหมเมื่อไม่เข้าไปยึดบ่อยๆบ่อยๆมันจะเริ่มคลายความยึดถือเมื่อคลายความยึดถือทิฏฐิที่ต้องการจะให้มันคงที่คงตัวเป็นไปดั่งใจจะเกิดไหมไม่เกิดเพราะเริ่มเข้าใจธรรมชาติเข้าใจยังถ้าไม่ปฏิบัติมันจะเกิดอย่างนี้ไหมเอาแต่นั่งคิดเนี่ยเอาซุปเปอร์โง่มานั่งคิดวิเคราะห์เนี่ยมันจะไปไหนรอด ในเมื่อเอาสัญญาเอาสังขารมาเป็นตัวเดินหน้าเนี่ยเราจะทําความรู้จักสัญญาสังขาร น, นะแต่ดันเอาสัญญาสังขารมาเป็นตัวทํางานก็เสร็จมันนะสิก็เข้าช่องมันเลยแล้วเมื่อไหร่จะออกได้มีแต่เติมกําลังให้มันอย่างเดียวแล้วใครจะเป็นคนคิดมันจะคิดได้ยังไงก็ได้เมื่อมันเป็นคุณตัวตัวต้นเหตุอะ เอาตัวต้นเหตุมาเป็นตัวแก้ปัญหาได้ยังไงยังให้กลับไปเรียนใหม่เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าอ็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ถึงมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดแม่น้ำย่อมไม่ไหลสตรีมีคันย่อมไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตกเป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจสารเนียร์ลางไหมไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ข่าก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปทีนี้ถ้ามันไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นทิฏฐินี้ก็จะไม่เกิดขึ้นละ เมื่อไม่เกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นแทนละ่ะเพราะเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้ต้องการให้สรรพสิ่งเป็นไปดั่งใจแสดงว่าที่เราให้เป็นไปดั่งใจเพราะเราต้องการให้มั่นคงดุดเสาระเนียร์นี่ละคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นคนนั้นต้องเป็นแบบโน้น อ่าสิ่งแวดล้อมต้องเป็นแบบนี้อากาศต้องเป็นแบบนี้ฝนต้องเป็นแบบนี้วันนี้ต้องการให้เป็นอะไรแบบนี้ไปหมดทุกคนคือเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกคนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลจักรวาลจะต้องหยุดสนิทให้เข้ากับใจของเราเราถึงจะมีความสุขเพราะฉะนั้นบ้ า, าตายไปเถอะบ้ า, าตายไปเลยทีนี้เพื่อทําตามที่พระเจ้าบอกก็เริ่มเห็นความจริงเมื่อปล่อยความยึดมั่นมันก็มีแต่ของที่ พระาทิตย์ก็ต้องขึ้นต้องตกฉันพม่ยังไม่ขึ้นไม่ตกได้ไงลมก็ต้องพัดแม่น้ำก็ไหลกลับมาไหลปกติซึ่งเขาไหลปกติอยู่แล้วแต่มีแต่ใจของเราที่จะไม่ให้ไหลแล้วขอมันไหลยอยู่แล้วแล้วใจไม่ให้ไหลแล้วอะไรทุกข์ล่ะธรรมชาติทุกข์หรือเราทุกข์ล่ะทีน่นี่ก็เห็นเห็นอยู่แล้วไอ้ใจของคนที่อยากจะให้เป็นไปดั่งใจนั่นแหละที่จะตายก่อนกายนี่กำมันจะแตกทํำลายเนี่ยนอนอยู่บนเตียงไอซีูเนี่ยโ อ, ยฉอยย้ฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายนี่ไงก็เป็นไป ลมไม่ให้พัดน้ำไม่ให้ไหลทีหลังนะใครจะตายนะใช่ไหมจะให้ลมไม่ให้พัดแม่น้ำไม่ให้ไหลสติมีคันจะไม่ให้คลอดถ้าชันห้ทิศไม่ให้ขึ้นไม่ตกเฮ้ยฉันไม่อย่างตายเลยทําไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยฉันสวยงริงทําไมฉันไปทําอะไรมาฉันไม่เคยทํำบาปทำลมไม่ให้พัดแม่น้้ถาไปม่ให้พัดน้าาอย่งไหลสติมีคันผมไม่จำไม่ต้องไปสวดให้ใครสวดให้ตัวเอง่เลยเวลากำลังมีความทุกข์เวลายึดมั่นถือมั่นทําไมไปยืนหน้ากระจกอ่ะ ทำไมจะให้หลงไม่ให้พัดแม่น้ำไม่ให้ะก็มองกันตัวเองไว้เนี่ยนะให้มันให้อยู่ยึดมั่นถึงมั่นอะไรเนี่ยพอเถอะของเป็นธรรมชาติมันจะไม่เ ป, เปลี่ยนแปลงไปเลยเหรอเธอเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปเถอะพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นยังตกอยู่เลย เ, เปลี่ยนเลยใครจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเรายังเปลี่ยนเลยใจเรายังไม่เคยคงที่แล้วจะไปบังคับให้ใจใครคงที่ฮห ใจเราคงที่ไม่ตละวันอืนั่งสมาธิบอกสินิ่งเออใ้มันิ่งเถอะ ใ, ให้นิ่งให้ได้ไม่ต้องมากกว่าห้านาทีนะยังไม่นิ่งเลยเรายังไม่นิ่งเลยเอเรายังเปลี่ยนจะให้ใครไม่เปลี่ยนเขายิ่งไม่ได้ฝึกกันใหญ่แล้วบอกเขาไม่เปลี่ยนเห็นความจริงปล่อยความยึดมั่นถือมั่นเราได้ยินพระเทศคําเนี้ยมานานแล้วนะ เราทุกเพราะความยึดมั่นถือมั่นปล่อยความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางได้ยินมาจนมันธรรมดาเกินไปแล้วหลวงพ่อมีแบบลึกๆ ก, กว่านี้หน่อยไมเดี <c> ๋ย <oughs> อันนี้จังอันาตาพูดอยู่นั่นเอาแบบชั้นสูงหน่อยนิพพานอนนะเนี้ยนะนี่ยังมั่นคงดุจเสาล้านเนียดกันอยู่เลยเนะี่ะยังเอาซุปเปอร์โง่มาศึกษาธรรมอยู่นี่นี่เป็นมั่นคงอะไร คูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นสายหัวหมดแล้วท่านไปออกจากป่ากันมาแล้วจะบอกให้นะเห็นแล้วก็นะแล้วที่ผมเห็นนี่ยที่มันเดินเดินอยู่เนี่ยกักบป่ากันจะหมดแล้วเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยง วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นอิทธิจะพึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดแม่น้ำย่อมไม่ไหลสตรีมีคันย่อมไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตก เป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียดบ้างไหมไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าพรนะนั้นเมื่อเห็นความจริงปล่อยความยึดมั่นถือมั่นเพราะเข้าใจธรรมชาติความจริงจะเข้าใจปล่อยวางได้ยังไงจิตต้องตั้งมั่นผมถึงพูดเสมอจิตต้องตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นมันจะไม่เห็นว่าขันธ์ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะอะไรต่ออะไรมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมันยอมยอมยอมที่จะวางยอมที่จะ เบื่อหน่าครความคิดถือเราจะได้ยินคําเนี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกเราเพิ่งเข้ามาเห็นต้นเหตุที่แท้จริงนี่แหละพระเจ้าบอกว่านี่คือต้นเหตุของมิจฉาทิฏฐินี่แหละคือต้นเหตุละ่ะเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นเข้าไปเต็มลับเพราะฉะนั้นการจะปล่อยความยึดมั่นถือมัน่นก็คือเอาความจริงมาให้เขาเห็นจะเห็นไหมว่าเออถ้าพูดกันตรงๆเลยนะจิตนิ่มก็นักเลงนะอ่าจิตก็นักเลงนะคือ พราะมันไม่เข้าใจเพราะมันไม่รู้มันก็ยึดเอาความจริงไปเสนอให้เขาดูสิพอให้เขานั่งดูความจริงเฮ้ยที่เรายึดนี่มันของเกิดดาบดีว่ะมันก็ยอมปล่อยนะคือมันไม่ด้ดื้ออะไรนะพระเจ้าถึงได้บอกว่ามันทํามันเป็นอย่างเนี้มันว่างจากตัวตนเพราะมันไม่รู้ว่างจากตัวตนเราไม่รู้ได้ยังไงเรานึกว่าต้องมีใครสักคนมันถึงไม่รู้หรือรู้ สภาพไม่มีตัวตนนี่แหละที่รู้แล้วก็ไม่รู้ไอเรานั่นแหละที่นึกว่าเอาเองนะที่นึกว่าเอาเองมันมีธรรมชาติที่มันไม่ได้รู้หรือไม่รู้มันมีธรรมชาติของการรับรู้เรียนรู้นะรับรู้เรียนรู้เป็นธรรมดาของขันไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ประดิไม่ว่าจะเป็นสัตว์ พืชก็อ่าพืชสัตว์หรือว่าเป็นมนุษย์ก็ดีมีสภาพของการรับรู้เรียนรู้ต้นไม้ก็เปลี่ยนแปลงรับรู้แล้วก็เรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนแปลงเพื่อจะพัฒนาหรืออยู่รอดในสิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งในโลกมีการเปลี่ยนแปลงรับรู้เรียนรู้ถ้าอากาศร้อนขึ้นน้ำก็ขยาย ขยายไอ้นี่ก็พองพองโมเลกุลก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลถึงจุดจุดหนึ่งอะมันอาจจะแตกโาะเพราะว่าความยืดหยุ่นของมันมีแค่นั้นก็แตกไปทุกอย่างเป็นอนัตตามีสภาพที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลในตัวของมันตลอดเวลาจนกระทั่งพอเข้าใจความจริงก็เริ่มวางวางวางวางวางทุกข์ก็ลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงดลงวางจนถึงจุดหนึ่ง ความจริงก็คือมันจะต้องวางกันจนไปถึงที่สุดนะแต่แตเมื่อวางไปไยกจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดมีการวางแบบคือมันเหมือนสเตปการวางที่เรากำลังวางวางวางพอวางถึงตรง น, นี้มันหว่วกมันมีการวางแบบหวกไปทีหนึ่งแล้วก็วางต่อไปไอ้จังหวะที่มันวางวางวางวางวางวางไปทีละ ว, วันสองวันอย่างสองอย่างอย่างสองอย่างอยู่ๆมันปุ๊บมัน เอ้ผมนึกอะไรไม่ออกเลยผมจะนึกว่าเหมือนเราดึงอะไรดึงอยู่ๆมสลักมันหลุดแล้วพึ่งลงมาทั้งทั้งสมมติโมบายเนี่ยโมบายแล้วกันไอ้ไอ้โคมไฟโมบายที่เป็นชั้นๆเนี่ยแล้วถอดถอดอดถออยู่ๆมันปังลงมาทั้งชั้นหนึ่งเลยนียมันหล่นปังลงมาเนี่ยชั้นแรกเนี่ยพุทธชาติเรียกว่าพระโสดาบันคือหล่นโครมลงมาทีหนึ่งนะแล้วก็ถอดถอดถอดอดอดนหล่นออมาอีกชั้นนึงอย่างเงี้ย จริงๆเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ไปทําให้ชั้นใหญ่หล่นลงมาเราเราดึงออกทีละอันนั่นแหละเราก็ทําปทีละขณะดนั่นแหละอยู่ๆมันพึ่งลงมาอย่าเงี้ยแล้วก็ทำง้อไปทีละขนาดเราแต่วันนี้มีคนพยายามจะไปทําให้ชั้นใหญ่หล่นลงมาเนี่ยมันเลยไม่หล่นสักอันมันเลยกายเป็นหนักกว่าเดิมเพราะมันไปเติมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพราะความที่พยายามจะไปเอาไอ้ชั้นใหญ่เนี่ยที่เขาเรียกพระโสดาบารเนี่ยลง มันจึงไปก่อชั้นใหม่ขึ้นมาซ้อนขึ้นไปอีกขวางเอาไว้ทีนี้ก็มาถอดถอดถอดเจอชั้นขวางนี่เลยไม่หล่นสักทีนึกว่าตัวเองถอดแต่ที่แท้ถอนมาแล้วก็ใส่ถอนไม่ถอดนี้ถอดเฮแล้วไอ้ชั้นนี้หนากว่าเดิมอีกไอ้พวกนี้ยปฏิบัติไปเถอะก็กําไรได้ตัวตนกําไรขึ้นมาอีกเอาละน่ะสําหรับเช้าวันนี้ก็เรื่อง สกายทิธิซุปเปอร์โง่